วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นวันอาสารหบูชาและก็วันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษานั้นเป็นเรื่องของพระสงฆ์แต่วันอาสารหบูชานี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งพุทธบริษัทสี่ภิกษุสัมเน็อุบาสุอุบาสิกาเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัต ตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธทเจ้าหลวงพ่อเองก็เคยพูดมาหลายครั้งหบอวันอสราหะาบูชาสำคัญไหนแต่ก็อดที่จะคิดถึงลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังไม่ได้ถ้าเราพูดให้ในกลุ่มหนึ่งระดับหนึ่งฟังระดับนั้นกระพอจะเข้าใจบางทีอาจจะหลง ลืมเลือนลางได้ง่ายเพราะฉะนั้นจึงได้พูดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายปีหนึ่งก็น่าจะพูดให้ฟังในวันอย่างนี้แหละในวันอสราหาบูชาความเป็นมาของวันอสราหาบูชานี่เป็นมาอย่างไรแเมื่อเช้านี่หลวงพ่อก็ได้พูดแต่วันนี้ศรัทธาญาติโยมมาจากจากตุระเทศผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็มี ว่าวันอสาสรหะบูชานี้เป็นวันสำคัญอย่างไรถึงจะได้ฟังจากสื่อต่างๆก็เราก็ไม่ได้ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ท่าว่าอย่างวันนี้พวกเราได้มานั่งอยู่บริเวณสลาของหลวงพ่ออยู่ในที่สงบสงัดพวกเราได้ไหว้พระทาวัดจบลงสักครู่นี้ก็จะได้ฟังคำธรรมเทศนาเรื่องคำพูดของหลวงพ่อด้วยว่าเป็นการ แนะนวหรือว่าเป็นการกล่าวที่พวกเราควรจะรู้หลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อจะกล่าวให้แก่พวกเราสิ่งที่ควรจะรู้แต่พวกเราอาจจะรู้แล้วกว็ได้แต่บางท่านหลวงพ่อคิดว่าเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังใครจะรู้เลยอย่างนั้นก็คงจะยากอีกเหมือนกันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายโหนแต่รับการศึกษาจึงจะรู้ได้ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ครูบาอาจารย์ที่อยู่เบื้องในคือพระสงฆ์จะต้องชี้แจงให้ศรัทธาญาติโยมพี่น้องประชาชนทุกระดับให้เข้าใจว่าหลักของพระพุทธศาสนานนั้เป็นมาอย่างไรและก็วันอัสารหะบูชานี้สําคัญอย่างไรหรือวันวิสาขาบูชาเป็นมาอย่างไรหรือวันมาฆบูชาเป็นมาอย่างไรวันนี้จะพูดถึง วันอัสารหาบูชาวันนี้วันอัสารหะบูชาความเป็นมาก็คือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุธรรมวันเดือนหกเพนพอได้ตัดสรุธรรมแล้วพระพุทธองค์ได้เสวยวิมุตติสุขคือความสุขกับที่พระองค์ประสบความสําเร็จในธรรมทั้งหลายอยู่ในสถานที่ต่างๆทีแต่เจ็ดวันเจ็ดวันอยู่ในสาวุัตรินเจ็ดวันอยู่ในร่มต้นโพเจ็ดวัน สรุปแล้วก็คืออยู่ในบริเวณที่พระ อ, องค์ได้ตัดสรุธทำ น, น, นะฮะอยู่ยัดขยายไปที่นั่นบ้างขยับไปที่นี่บ้างนะเพื่อปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วสวยความสุขเอิบออิ่มในธรรมที่พระ อ, องค์ได้ตัดสรุในวันเดือน6เพนตตอนนี้เมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปประทับในสถานที่ต่างๆเป็นที่พอพระไทย พรพุทธองค์ก็นึกย้อนหลังว่าเอ๊ะธรรมะที่เราได้ตัดรู้ธรรมเนี่ยเป็นของละเอียดลึกซึ้งมากเป็นธรรมที่ทวนกระแสะโลกโลกทั้งหลายเขาคิดไปแนวหนึ่งแต่ธรรมะที่เราได้ตัดรู้เนี่ยมันทวนกระแสะเขาถ้าเราไปพูดให้แก่เขาฟังเนี่ยเขาจะฟังหรือเปล่ามันไม่ศบอารมณ์ของเขาถ้าเขาต้องการสีขาวเราธรรมะก็บอกว่าไม่ใช่มันสีแดงแมันตรงข้ามกัน ยกตัวอย่างเช่นโลกทั้งหลายเขาว่าร่างกายสังขารของเรา เ, เป็นของเสร็จสวยงดงามทั้งของหญิงของชายเป็นที่น่ารักให้ชอบใจแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านว่าร่างกายสังขาร เ, เป็นของอสุภะปฏิกูลเป็นของไม่สวยงามนี่แหละมันสวนกันอย่างนั้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงว่าไม่สวยงามท่านบอกว่าเกสาผมถ้ามันหลุดออกจากศีรษะลงไปแล้วไปถูกกับอาหารนะ่ะ มันน่ารับทานไหมเป็นน่าขยะแขยงถ้าผมไม่ซักไม่ฟอกเหม็นติดกังกันไปหมดมันน่าดูไหมสะอาดสวยงามไหมไม่สวยงามขนก็เช่นเดียวกันเล็บก็เช่นเดียวกันถ้าเล็บไม่แคะไม่ล้างไม่ตัดเป็นยังไงหนังเป็นยังไงร่างกายของเราเป็นยังไงหนังอยู่ข้างนอกที่เราไม่สะไม่ล้างหนังของเรามันสกรปรกเป็นยังไงนี่ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันทวนกระแสะกับโลกทั้งหลายที่เขาเห็นว่าสวยงามแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้นั้นรู้เห็นตามความเป็นจริงมันไม่สวยงามไม่มีจิรังถาบรนว่า ง, งั้นทีน่แหละพระพุทธองค์ก็ท้อพระไทยถ้าเราไปแสดงธรรมแล้วเราไปพูดให้แก่ใครฟังเขาจะเชื่อถือหรือแล้วเขาจะยอมรับฟังหรืออย่างเนี้ยพระพุทธองค์เลยท้อพระไถ่เอาเถอะเมื่อเราได้ตัดสู้ธรรมแล้ว ได้บรรลุธรรมแล้วถึงจะพูดไปเมื่อเขาไม่ฟังเราก็เปล่าประโยชน์ไปแนะนำให้เขาไม่ฟังกิเลสเขาไม่ฟังเลยเราจะทำยังไง เ, เราเป็นธรรมไปแนะนากิเลสเขานะ่กิเลสเขาไม่พอใจแล้วเราก็เปล่าประโยชน์การแสดงธรรมของเราก็เปล่าประโยชน์เขาก็เปล่าประโยชน์เราก็เปล่าประโยชน์เอาเถอะไม่ต้องแสดงธรรมละเราได้แ็คือเราได้และก็จบแค่นั้นเอง และจะไปพูดอะไรให้เขาฟังเมื่อเขาไม่อยากจะฟังหรือเขาไม่ฟังอันนี้คือพระพุทธองค์คิดในพระทัยของพระองค์จากนั้นท่านก็ว่ามีพรมเนี่ยพรมรู้วารกจิจของพระพุทธเจ้าว่วาโอ้คือเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดถึงพรมเขาก็จ้องมองอยู่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อท่านได้ตัดจารุธรรมแล้วท่านจะทำยังไงท่านจะไปเทศนาว่าการที่ไหนท่านจะทอาอกับกิริยาอย่างไร คือเทวดาและพรมกายสิทธ์ทั้งหลายเขามองพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาทอนี้พอพระพุทธเจ้าเป็นผู้ขนขวายน้อยจึงเนี่ยคือไม่อยากจะแสดงธรรมพอจบแล้วก็นั่นแหละพอวางธาตุขันธ์กับไปนิพพานะเมื่อจบได้แล้วก็จบไม่แสดงธรรมไม่เผยแผ่ธรรมไมเพราะฉะนั้นพรมจึงรู้อากับกิริยารู้ว ร, รกิจของพระพุทธองค์พรมก็เลยลงมากราบอาราธนา จะว่าพรมมาจาโลกาทิปฏิสามปฏิขันเฉลีอันทิวลังฮะพระพุทธเจ้าข่าผู้มีทุลีเบาบางมีอยู่ที่จะได้ฟังพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเขาเหล่านั้นจะได้สําเร็จมรรสําเร็จผลมีอยู่เพราะเขาเหล่านั้นได้บําเพ็ญมาเต็มที่แล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าขาดการศึกษาและขาดการได้ยินได้ฟังเท่านั้นพรมอ้างเหตุผล พระพุทธองค์ก็เข้าใจในพรมอาราธนาการับอาราธนาพรมถ้าจะว่าไปแล้วพรมคำนี้คืออะไรพรมมัวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอันนี้แหละพรมมัวิหารสี่อันนี้พรมอมาอาราธนาก็คือขอให้พระองค์มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเฮ้ย่างนี้แหละจะได้พระพุทธองค์ก็รับอาราธนาพรม พอรับอาราธนาเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็นึกดูว่าเราจะไปแสดงธรรมที่ไหนเราจะไปโปรดใครก่อนนีมองหาอะไรมองหาผู้ที่จะรับธรรมเป็นคนแรกก็มองไปเห็นดาบ ท, ที่พระพุทธองค์ได้ไปฝึกหัดสมาธิกับดาบ ท, ทั้งสองก่อนหน้านี้จนเป็นที่ยอมรับของดาบทว่าสิท ธ, ธะแต่มาฝึกหัดในการสมาธิกับ ดาบทเหล่านั้นดาบททั้งสองท่านยอมรับจนมอบคณะสิทธิใหนะ้บอกว่าไม่มีใครที่จะปฏิบัติได้หรือว่าทำได้อย่างท่านสิทธะเพราะนั้นเราแก่แล้วดาลาดาบทอุตกระดาบทสองหรือสีแต่อยู่คนละแห่งกันนะมีบริวารคนละห0 0ร้อคนละสำนักกันอีกแต่ท่านก็นบอกนี่นะดาลาดาบท เราจะมอบบริวารให้แก่ท่าน500ให้ท่านเป็นอาจารย์สอนแทนเราไม่นานแล้วเราก็จะตายแล้วเนี่ยอายุเราแก่แล้วแต่ศีรษะท่านพิจารณาดูแล้วท่านบอกไม่ใช่หนทางจะต้องมีหนทางยิ่งไปกว่านี้อีกอยู่เราศึกษากับดาราดรบทนี้เพียงขั้นหนึ่งท่อนเองยังไม่ใช่หนทางท่านไม่รับไม่รับที่จะเป็นอาจารย์แทนดาราดรบทจากท่านเข้องไปศึกษากับอุตกระดบทอีก คือเป็นลือสีพอไปศึกษาแล้วประสบความสําเร็จอาจารย์อุตกะดาบดสอนอยังไงท่านทําได้หมดรู้ได้หมดเพอเพอจะยิ่งกว่าอาจารย์ที่ด้วยซ้ําไปอุตกะดาบด์เขาเออมอบลูกศิษย์ให้แกสิทธิธาให้ท่านสอนเพราะเราแก่แล้วเราคงจะอยู่อีกไม่นานคนที่จะทําได้อย่างท่านไม่มีเพราะฉะนั้นเรามอบจํานักให้แก่ท่านให้ท่านเป็นผู้แนะนําสั่งสอนต่อไป สิทธะพุทธาเจ้าของเราไม่รับเพราะว่าดูแล้วยังไม่ใช่หนทางสุดท้ายที่จะมาอยู่จุดนี้ก็เลยลาราบททั้งสองออกไปบำเพ็ญตามลำพังนี่แหละตอนนี้พทธองค์เอาอย่างเต็มเหนียวเลยทนีทั้งอดภักยาหารทั้ง4ี่ิบเวันแล้วก็บำเพ็ญทางทรมานกายอุดลมอุดจมกูกอุดเพดานไม่ให้มีลมจนพระ อ, องค์ ล้มสลบลงเพราะว่าขาดลมงนี่แหละพระพุทธองค์ไม่ใช่ธรรมดาเนะี่ยการทดลองการประพุทธปฏิบัติของพระองค์ทั้งอดภัคยาหารทั้งกั้นลมจนพระองค์สลบนี่แหละเป็นการทดลองในการประพุทธปฏิบัติธรรมเหมือนกับเขาทดลองวิทยาศาสต์อย่างนั้นน่ะเขาอยากจะได้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ การเกษตรเนี่ยเขาก็ทดลองพืชเกษตรทํำยังไงทดลองหลายหาอย่างจนประสบความสําเร็จหรือว่าเขาจะทดสอบเรื่องเคมีตัวไหนยาตัวไหนอย่างนี้เขาก็ต้องทดสอบแต่ในพระพุทธเจ้าทดสอบเรื่องของใจเรื่องของแนวความคิดอยู่ในกายอยู่ในใจของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วจะทํำยังไงจึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ย อันนี้คืออยู่ในใจของท่านศิทาในการบำเพ็ญเพราะนั้นท่านจึงค้นคว้าทดลองผิดลองถูกอยู่เป็นเวลาถึงหปีนะนี่แหละจากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดสรุธรรมอย่างที่ได้ว่าพอได้ตัดสรุธรรมสมอย่างปุเพนิวาสานุสติยานจูตูปปาตยานอาสาวกยญาณที่พระพุทธองค์ได้ตัดสรูุ้ในวันเดือนหกเพนนนั้นจากนั้นเมื่อพระุทองค์ได้ตัดสรุธรรมแล้วก็ได้เสวยวิมุติสุขอย่างที่ว่า ในเมื่อเสยวยวิมุตติสุขแล้วเป็นที่พอพระไทยจนถึงเดือน6เพนเดือนเจ็ดเพเดือน8ปดเพนเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้มาประกาศธรรมสรุปแล้วก็คือ4อาทิตย์8อาทิตย์เดือนเจ็ดเพเดือน6เพนเดือนเจ็ดเพก็เป็น1เดือนเดือน8เพนมันก็เป็นสองเดือนเมื่อพระพุทธองค์ได้ัสัจธรรมแล้วพระธองค์ก็นึกถึงดาบดทั้งสองท่าน สองหรือสีที่ท่านได้ไปศึกษาด้วยว่าธรรมะ ท, รที่เราได้ที่เราได้ตัดรู้ธรรมถ้าเราไปสอนแนะแนวให้แก่ท่านหรือสีทั้งสองท่านเพราะสมาธิท่านแก่กล้าอยู่แล้วท่านดีอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วเรื่องสมาธิพระพุทธองค์แนะแนวปัญญาให้เข้าไปเท่านนะคงจะได้สําเร็จพระอรหันต์ในไม่ช้าแต่พระพุทธองค์ก็พิจารณาดูแล้วถึงส่งญาณทัศนะไปดู ไปเห็นด า, าราดับบทอุตกระดาบทเพิ่งตายไปหมัดหมัตายไปเร็วๆค่ะแสดงว่าท่านฤาษีทั้งสองไม่มีวัดาสนาเหมือนกันเถอะท่านก็เลยขึ้นไปอยู่พรมและอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่สอนคนตายเหมนนเถะใครตายพระนั้นสอนไม่ได้ตามไม่จริงท่าตายแล้วท่านถ้าจะไปสอนพรมอยู่ในพรมพระองค์ไม่สอนนะไม่ได้สอนคนที่ตายไปพอพิจรารณานดูทั้งสองท่านด า, ารารับทอุตกะดาบทแล้วโอ้ท่าน เพิ่งตายไปเร็วๆนี้เองพระพุทธองค์กับเบนความคิดไปเอเราจะสอนใครท่านก็มองไปเห็นปัญจวกีทั้ง5้าที่ดูแลอุปถัมปะถ า, ระถาพระองค์อยู่ตลอดเว ล, เวลาคือก่อนที่พระพุทธองค์ประสูตรเมื่อพระพุทธองค์เกิดใหม่เพราะ ง, งั้นะพระเจ้าจุโธธนะให้พราหม์ร8มาทำนายทายทักว่าศิทธะนี่ถ้าเป็นใหญ่ขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงดูลักษณะดูหัวเฮ้งทานายทายทัก ดวงชะตาราศีพูดอย่างนั้นนะคือพระเจ้าแผ่นดินทุกสมัยนั้นเขาก็ให้โหรพวกหมอดูพวกโหร ม, มาทํานายทายทักศีรษะดูว่าเป็นยังไงตอนน้พราหมร์ร้8มาทํานายทายทักพอเห็นศีรษะแบเบาะอยู่ได้เจวันพราหมณ์คนแรกมาก็เห็นกขยกลสองนิ้วขึ้นมาคนที่สองเห็นกขยกลสองนิ้วคนที่สามขยกลสองนิ้วมีอัญญาโกนทันญพราหมณ์หนุ่ม คนสุดท้ายเนี่ยยกนิ้วเดียวนะพระเจ้าจุโทธนะกับพระบรมวงศานุวงศ์กระถามพราหมณ์ที่ยกสองนิ้วน่ะเพราะอะไรพรามณ์เหล่านั้นก็ทํานายเป็นสองว่าถ้าเป็นฆราวาสเขาจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ปกครองทั่วราชอาณาจักรไม่มีใครฝ่าฝื้นไม่มีใครที่จะต่อต้านได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ถ้าว่าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเป็นต้นพระศาสนาใหญ่ที่สุดในโลก ท่านสิท ธ, ธาเนี่ยเลยยกสองนิ้วพราหมณ์ก็พูดอย่างเดียวกันหมดจานักถามโกนธัญญพราหมณ์ท่านทําไมยกนิ้วเดียวทําไมท่านไม่ยกสองนิ้วเหมือนกับพราหมณ์เหล่านั้นอัญญากรธัญญจะตอบคําเดียวบอกว่าที่ยกนิ้วเดียวหรือเพราะว่าสิท ธ, ธาจะไม่คลองเรือนจะไม่เป็นครวัตจะได้ออกบวชและจะได้ตัดสรุธรรมตามแผนตามตําราพราหมณ์ได้พูดเอาไว้ปุริสารลักษณะอย่างนี้ หโงแห้งอย่างนี้เหมือนกันโง่เฮงอย่างนี้จะต้องออกบวชเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่ล่ะทําให้พระเจ้าจุธโทธนะพระราชบิดาของพระพุทธองค์เลยอวิตกกังวลเางั้นกัะเถอะถ้าว่าอยากไม่อยากจะให้ลูกออกไปบวชคําว่าบวชนั่นคืออะไรถ้าว่าคลองราดเออจะเข้าใจเจ้าจุธโทธนะคึงประคบประงมดูแลศิทธรรมอย่างดีที่สุดไปที่ไหนก็ว่ามีลัวรอบขอบชิด จะให้เห็นแต่เรื่องสีฟิล์ย์ไม่ให้เห็นสิ่งที่เป็นอปมงคลและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอย่างนี้จะไม่ให้เห็นเหมือนกันเลเลี้ยงดูแบบอย่างดีเหมือนไข่ในหินเนี่ยจนถึงพระพุทธองค์ในอายุยี่สิบเกปีท่านจึงได้ไปเห็นคนแก่และก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นสมณะคือนักบวชพระุทธองค์จะได้หาหนทางหนีจากเวียงวังไปบวช นี่แหละอันนี้ก็คือในพุทธประวัติที่หลวงพ่อพูดน่นคือย้อนไปย้อนมาเพื่อให้พวกเราได้เป็นแนวความคิดว่านี่แหละความคิดของพระพุทธเจ้าท่านคิดอย่างไรี่ที่ท่านออกไปบวชออกไปปฏิบัติเพื่อไปสวดแสวงหาธรรมจนถึงได้มันรู้ตัจรุธรรมนั้นในนี้เมื่อพระองค์ได้ตัจรุธรรมอย่างที่ว่านันน่ะท่านก็มองเห็นปัญจวคี หลวงพ่อได้พูดว่าทําไมอัญญากนธัญญาสําคัญยังไงจึงได้มาปนิบัติพระพุทธเจ้าทันท้พอสิทธัตถะหนีออกมาบวชพราหมณ์ที่ท่านไปทํานายทายทักพระพุทธเจ้าพราหมณ์บางท่านท่านอายุมากแล้วกลับไปถึงบ้านท่านก็สั่งลูกท่านเออลูกเอ้ยถ้าสิทธัตถะหนีไปบวชนะก็แสดงว่าสิทธัตถะจะได้ตัดสรู้นะจะได้บรรลุธรรมนะได้ตัดสรู้ธรรมนะให้ลูกไปศึกษานะ ให้ลูกไปติดตามไปเลยนะเพื่อจะได้ศึกษาและก็ได้ฟังพระธรรมมเทศนาของท่านจะได้ประสบความสำเร็จทน่นี้ลูกชายของพราหม์เหล่านั้นทั้งสี่ท่านก็ได้ฟังพ่อสั่งเสียก่อนพ่อที่จะล้มหายตายจากไปแต่นี้พอสิทธะกับนายชนะหนีออกไปบวชอัญญาโกนทะยพราหม์ที่เป็นพราหมณ์หนุ่มเนี่ยก็ถามประกาศเออใครจะไปกับเรา จะไปศึกษาแล้วไปดูแลสิท ธ, ธิฐานพราหมณ์ทั้งสี่คนที่เป็นลูกพราหม์เหล่านั้นที่เป็นโปรหิตรที่แบบเป็นพราหมณ์ทํานายทายทักสิทธิฐานเขาก็ยื่นมือเข้ามาจะเดินตามไปด้วยและที่4ี่พราหม์รวมกันทั้งหมดก็คือมีหทั้งัญญาโกณทัญยะโกนทัญยะวัปปะพัทธิยะมหานามะอจจะชิอัจะ ช, ช, ชิคือเป็นองค์สุดท้าย ว่าพรามห้าองค์จากท่านท่านก่อไปถึงที่พักที่อยู่ของศิทธะท่านก็นดูแลเรื่องน้ําเรื่องท่าเรื่องอะไรคล้ายๆดูจ้องในการประพฤติปฏิบัติของศิทธะท่านจะเอายังไงพอเห็นศิทธะอดพกยกาหานี่เอาจริงจังแล้เข้านี่คนะงจะน็อกกิเลสแน่ๆ แ, แล้วคงจะตัดทะลุทาได้แล้วร่าวนี่พวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5้ากับเพ่งมองดูศิทธะว่าจะน็อกกิเลส ลงได้ในเนี่ยข่าวนี่แต่พระพุทธเจ้าท่านมองท่านพิจารณาดูแล้วการทรมานกายไม่ใช่หนทางการทรมานกายลําบากนั้นไม่ใช่หนทางใจมันยังคึกมันยังขนองอยู่ไม่ใช่มันต้องหาทางอื่นอีกจากนั้นพระองค์ก็เลยกลับมาสวยพระกระยาหารพอมาสวยพระกระยาหารพราหมณอัญญาโกนฐานญาี่เป็นหัวหน้านโอ้สิท ธ, ธะคลายความเพียรเสียแล้ว เวียนมาเป็นคนมากๆากเสแล้วคงจะไม่สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้หรอกเราหนีศีรธะหมดความสามารถเดินหน้าเดินหลังอยู่เนี่เดี๋ยวก็อดอาหารเดี๋ยวก็ฉันอาหารอยู่นี่อไปพวกเราหนีนี่แหละอัญญาโกณฑญากับพราหมสี่คน ห, หนีออกจากพระองค์ที่บําเพ็ญของพระองค์ไปอยู่ตามลําพังห่างจากพระองค์เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเกือบ200รกว่ากิโลนนะไม่ใช่ไกลๆเหมือนกันนะหนีไกลพอสมควรเหมือนกันเถะ หนีจากที่พระองค์ได้จัดสรุที่โขนต้นโพน่ะมาถึงป่าอิสิปตนามิกทายวันไกลพอสมควรแต่นี้พวกฤาษีทั้งห้าได้ก็เลยทําที่พักกระ ต, กะตบกระแทบตามลําพังแบบฤาษีเหมือนกัน อ, อยู่ตามลําพังพระองค์ก็อยู่เดียวดายแล้วทีนี้เพราะปัญจวคีหนีไปแล้วพระองค์ก็บำเพ็ญอย่างเต็มที่อีกเหมือนกันค้นคว้าศึกษาอย่างเต็มที่เพราะการกดภักยาหารนั้นมันเป็นอัตกิรมัถานโยก การทรมานกายให้ลำบากเปล่าทอนี้ถ้าหาว่าไม่บําเพ็ญอยู่ตามลําพังกินนอนธรรมดาท่านเรียกว่ากามสุขันลิกาถ้าบําเพ็ญสายกลางเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทานตนี้พร ะ, ะองค์ก็พยายามไม่ตึงนักไม่หย่อนนักท่านก็เดินสายกลางคือมัชชิมาปฏิปทานคือเดินสายกลางคือเดินดูเรื่องของใจเลยไม่ใช่เรื่องของกายเหมือนตะก่อน ดูเรื่องของใจทีนั้นพระองค์ก็กําหนดดูแนวความคิดที่ว่ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแหะคือกรรมาฐานของพระพุทธเจ้านะกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกที่โคนต้นโพจนได้ตัดสรุรรมนี่แหละอันนี้พระองค์ก็เดินไปโปรดปัญจวคีปัญจวคีเห็นพระพุทธเจ้าไปเนี่ยกระทาตัวกระด้างกระเดื่องเพราะงั้นเถอะเพราะว่าเนี่ยศีรษะเดินมาแล้ว เ, เห็นพวกเราหนีออกมาแล้วพวกเราไม่ปนิบัติ อยากจะให้พวกเราปุณิบติเพราะนั้นพวกเราอย่าต้อนรับขับสู้นะทิฐิไม่ใช่ธรรมดาเนะีปัญจวคีทั้งห้านะเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาพอเดินมาแนละ้วอดไปได้ทช่ไหมพอเหตุไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้านายเก่าเออเป็นผู้เหนือบังคับบัญชาตั้งแต่ปู่ย่าตายายพอเป็นเชื้อพระวงเป็นเชื้อเจ้าเราจะไปแข่งกระด้างไม่ต้อนรับขับสู้ ม, มันทําไม่ได้เนะพราะเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาใกลอ้อัญญาโกนธัญญะ ว่าป่พระิยามหานามว่าจาชิชิ่ตั้งกฎกติกากันว่าสิทธิธามานี่อย่าลุกตอนรับนะเฉยๆไว้เห็นไหมท่านมัอยากจะให้พวกเราปฏิวัติจังเดินมาหาพวกเราเนี่ยคล้ายๆกับหันหลังพูดกันเหมือนกันแตน่้พอเดินเข้ามาใกล้ๆกติกาที่ตั้งเอาไว้มันตั้งมาอยู่เพราะว่าสิทธิธเป็นนายพอมองเห็นพรอมมันอดไม่ได้แลว้วงั้นเหมือนกับแข็งกระด้างต่อเจ้านายอัญญาโกนในแยกเดินเข้าไปประนมมือ คนหนึ่งก็รับบาทคนหนึ่งก็รับจีบอลคนหนึ่งก็ไปปูอาชนะคนหนึ่งก็หาน้ําเหมือนกันปูอาชนะพระองค์ก็ขึ้นมาก็นั่งอาสนะพอนั่งอาชนะปัญจวคีทั้งห้าก็หันข้างให้เหมือนนเถอะพระพุทธองค์ก็พูดให้ฟังเออเอาปัญจวคีนะตั้งใจฟังเราจะพูดให้ฟังพอั้นก็เฉยทำท่าไม่สนใจพูดให้ฟังก็เฉยไม่สนใจพราพุทธองค์เอ่อคือการพูดให้คนไม่สนใจฟังนี่ย มันไม่เกิดประโยชน์ว่า ง, งั้นเถอะพุทโธก็บอกว่าปัญจวคีเคยได้ยินไหมที่เราพูดว่าตั้งใจฟังเราจะพูดให้ฟังคำนี้ได้ยินไหมก่อนหน้านี้ปัญจวคีทั้งห้าเนี่ยทบทวนดูเออใช่ไม่ได้ยินจริงๆคำพูดอย่างนี้จากนั้นเอาตั้งใจฟังเราจะพูดให้ฟังเราได้สาเร็จนะได้รู้แจ้งเห็นจริงนะนะตั้งใจฟัง ขณะปัญจวคีร์ทั้งห้าก็เลยหันหน้าเข้ามาตั้งใจฟังพระพุทธองค์ก็เลยเทศธรรมาจาักกัปวัตนสูตรในวันนี้แหละเ่ววันอัสราหาบูชาพอปัญจวคีร์ทั้งห้าัญญาโกนธัญญาที่เป็นหัวหน้าพราหมณนะ์ได้ฟังสิ่งใดสิ่งึ่งเกิดขึ้นจึงนั้นเป็นดับธรรมดาเท่านั้นแหละท่านก็ได้สําเร็จพระโ ส, สดาบัตพอโสดาบันจะ น, นด้พระองค์ก็เทศให้ท่านเหล่านั้นฟังต่ออีกแล้วก็วันรุ่งขึ้นท่านก็เทศ อนัตตระกนะสูตรทั้งห้าโอคก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านได้ในวันนี้ได้สําเร็จพระโสดาบันจากนั้นก็ได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ว่าอัญญาสิวัตโภคนทันโยอัญญาสิวัตโภโคนทันโยโกนทัญยารู้ธรรมแล้วหนอเห็นธรรมแล้วหนอคข้ายๆโกนทยะเป็นสักขีเป็นพยานละทีนี่เป็นพยานของพระองค์ที่พระองค์ได้ตัดจรูธรรม ไปพูดให้แก่ใครฟังก็ไม่มีใครที่ได้รับรู้รับทราบไปอัญญาโกนธัญญานี่เป็นองค์แรกที่ได้ตัดสรูรร้ทำท่านจึงยืนยันมาอัญญาสิวุตถโพ โ, โกนทันยโกนธัญญารู้ธรรมแล้วหนอเห็นธรรมแล้วหนอเนี่แหละจากนั้นพระอัญญาโกนธัญญาก็ขอบวชแสดงตนขอบวชกระพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ให้บวชเอหิวิคุปุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้ว อัญญาโกณรัญย์ก็เป็นพระขึ้นมาในเดียวนั้นเป็นพระภิกษุเพราะฉนั้นวันนี้จึงเป็นวันสําคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านําพระธรรมมาประกาศให้แก่พระสงฆ์คือพระอัญญาโกนรัญญะพร้อมกับตูศรีห้าท่านจากนั้นทั้ง5ท่านก็ได้ฟังธรรมได้วางพระธรรมพอได้ฟังพระธรรมแล้วก็ได้สําเร็จ เมื่อใดสําเร็จก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นสาวกหรือว่าสาว ก, กะสาวกของพระพุทธเจ้าจากท่านท่านก็ได้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกสมบูรณ์ในวันนี้เพราะนั้นวันนี้จึงเป็นวันสําคัญยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านมาถึงวันนี้ก็ให้ปฏิบัติบูชาให้น้อมจิตําลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านบําเพ็ญมาด้วยท่านประพฤติปฏิบัติมา ไม่ใช่ของได้ง่ายๆถ้าจะว่าไปแล้วเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์อยู่ในเวียงวังมีความสุขขนาดไหนจากนั้นพระองค์จังหลีกเล้นหนีออกจากเวียงวังไปบำเพ็ญอยู่ในป่าถึงหกปีแต่ถ้าว่าพระองค์อยู่ในเวียงวังมีภาระมากปีธุระมากที่จะต้องจัดต้องทําในเวียงวังทั้งรักษาบ้านเมืองทั้งรักษาคนในเวียงวังทั้งสรมนารีทั้งพระบิดาทั้งบงพญาติ์ทางหลายจะต้องดูจะต้องแล พราะพระองค์เป็นผู้รับผิดชอบเพรเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระเจ้าจุธโททนะัคือพระบิดาเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาที่จะมาคุ้นคิดเรื่องหลักวิชาที่จะหนีออกจากความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยคงคิดไม่ได้เพราะว่าหน้าที่การงานอย่างอื่นมากเพราะนั้นจึงหาช่องทางหลบหลีกหลีหนีออกมามาค้นคว้ามาศึกษาถึงกระนั้นก็เถอะค้นคว้าอยู่ตั้ง6ปีสิทธิ์ฐาจึงได้ สูตรสําเร็จยังได้ตัดสรุธธรรมในวันเดือน6เพนแต่ได้มาตรงที่หน้าศึกษาก็ตรงที่ว่าสิทธธรรมยังไงในวันเดือน6เพนนั้นจุดที่เป็นจุดที่พวกเราควรจะศึกษาอย่างยิ่งก็คือพระองค์วันเดือน6เพนพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินยังไม่อัดสะดงพระองค์นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้า หาย ใ, ใจออกนี่แหละอันนี้หลวงพ่อพูดมาให้ฟังมากต่อมากตั้งหลายครั้งจากนั้นก็ได้ตัดจรูธรรมได้บรรลุธรรมเพราะนั้นพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้พูดแล้วได้แนะแนวหรือว่าชี้แจงให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายสําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ได้สงสัยในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อได้ศึกษาเมื่อได้ยินได้ฟังหลวงพ่อก็คิดว่าพวกเราก็คงจะไม่สงสัยในเมื่อสงสัยและจะทํำยังไง เมื่อได้สงสัยก็ต้องหันกลับมาดูตัวพวกเราละทีนี้พวกเราจะปรับตัวอย่างไรจึงจะเข้าจึงจะรับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอริยสาวกของพระองค์ได้อันนี้คือจุดที่พวกเราจะต้องปรับตัวปรับใจของพวกเราละทีนี้ถ้าว่าพวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เฉยไม่ได้สนใจก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงจะเป็นของดีของดีขนาดไหนเหมือนกับ น, น้าที่มันไหลลินออกมา ตกมาจากท้องฟ้านภ า, าไรแต่พวกเราไม่มีของรองรับหรือไม่ปรับปรุงภาชนะที่รองรับฝนนั่นก็ตกเย็นฉ่ำไปอยู่อย่างนั้นแต่พวกเราเนะ่ก็เบื้องกลรั่วไม่ได้สนใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งหมดแต่ถ้าว่าพวกเราว่าธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นของจริงเป็นที่จับต้องได้และผู้ใดปฏิบัติมากหรือน้อยผู้นั้นจะได้สาเร็จหรือประสบความสุขความเย็นใจ อย่างทานศีลภาวนาที่พระพุทธองค์ได้สอนเอาไว้เป็นที่ยอมรับเรานึกไตรตรองเวลาใดคิดเวลาใดไตรตรองด้วยเหตุผลเวลาใดเราก็ยอมรับในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อเรายอมรับเราก็ต้องปรับการกระทําของเราแล้วทีนี้ยอมรับแล้วก็ควรจะประพฤติตามควรจะเดินตามควรจะปฏิบัติตามปฏิบัติตามปฏิบัติอย่างไรนี่แหละ อันนี้ พ, พระวุทธองค์ก็ได้สอนแก่พวกเราท่านทั้งหลายทำสมาธินะอย่างเนี้ยอย่างพวกเราหลวงพ่อจะไม่พูดเรื่องศีลวันนี้ไม่พูดเรื่องทานและไม่พูดเรื่องศีลเพราะทานพวกเราก็ได้ทำมาพอสมควรรู้เรื่องของทานและเคยอธิบายให้ทานคนที่มี จ, จิตใจเอือเฟื้อเอืออารีคนที่มีทานในจิตในใจเป็นยังไงคนที่มีทานก็มีความสงบร่มเย็นเป็นสุข แต่คนไม่มีทานไม่มีในการทําบุญทําทานจิตใจมันแห้งแล้งจิตใจมันเอารัดเอาเปรียบจิตใจมันโลภจนไม่มองใครไม่เห็นใครคนที่ไม่มีน้ําใจคนไม่มีทานถ้าคนมีทานคนมีให้อภัยทานมีการเสียสละแล้วนั่นแหละจากท่านมารักษาสิ่งก็รักษาได้ง่าย เพราะเหตุใดเพราะเขาเสียสละมองโลกไปในแง่ดีมีเมตตาต่อกันมีการเสียและเสียสละต่อกันรักษาศีลก็รักษาได้ง่ายเมื่อรักษาศีลแล้วเราก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองให้แก่ใครรักษากายวาจาของเราไม่หไปเหยียบย่ําทําลายคนอื่นเขารักเคารพเมตตาซึ่งกันและกันเพราะเราอยู่ในโลกอีกไม่นานต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต่างเกิดต่างคนก็ต่างตายต่างคนก็ต่าง สร้างคุณงามความดีบุญกุศลของใครของเราอันนี้ก็คือเรารักษาศินไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันในเมื่อเรารักษาศินเสร็จแล้วเราก็ภาวนานะภาวนาคือปรับระดับของใจปรับระดับของจิตปรับระดับของใจใจเราคิดเรื่องอะไรจึงจะมีเหตุจึงจะมีผลจึงจะมีความสงบพร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาได้เราจะปรับตัวปรับใจยังไงนี่แหละ ทีนี้การที่จะปรับใจเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเลยถ้าว่าใจของเราคิดปุ่งฟุ้งซ่านจิตของเราไม่สงบเลยแล้วจะเกิดปัญญาได้อย่างไรมันเกิดไม่ได้เพราะเหตุใรเหมือนกับเราคิดวิตกกังวลเรื่องต่างๆสมมติว่าเรามี <c oughs> มีเรื่องมีราวเรื่องต่างๆในยุคหนึ่งที่มันมีเหตุที่เราจะต้องได้คิดมากๆนี ใจของเราปรุงฟุงซ่านแล้วนํามาคิดมาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลหรือมาพิจารณาไต่ตองเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องราวที่จะหาเป็นสาระประโยชน์เนี่ยหรือเราเข้าในที่ประชุมที่ประชุมบอกว่าให้คิดดูสิอย่างเนี้ยแต่เรามีเรื่องหลังๆที่มันมีเรื่องราวอยูน่นะพี่ตกกังวลมาตลอดแล้วเราจะคิดได้ไหมมันคิดไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะใจของเรามันไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ใจของเราปุ่งฟุ้งซ่านอยู่ตลอดไปทงทางนอกอย่แล้ว mm. เพราะนั้นเราจะคิดหาเหตุหาผลมันคิดไม่ได้นี่แหละจิตไม่สงบแล้วจะพิจารณาหรือภาวนาให้เกิดปัญญาเป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นที่จะเดินเข้าสู่ปัญญาได้ต้องทำจิตให้สงบกำหนดให้สงบให้จิตให้นิ่งพอสมควรเมื่อจิตนิ่งเท่าไหร่จิตสงบมากเท่าไหร่ นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลชัดเจนขึ้นมาในจิตใจกล้าพูดกล้าแสดงแกล้ารับผิดชอบทั้งหมดเพราะว่าใจของเราเนี่เป็นสมาธิแล้วก็เกิดปัญญารอบรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญอย่างยิ่งเพราะนั้นให้พวกเราศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกๆท่านเวลานั่งภาวนากาหนดลมหายใจเข้าให้มีสติ สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวให้กำหนดลมหายใจเข้าออกให้มีสติเหตุสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักปฏิบัตินักภาวนาถ้าขาดสติเสียอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างลวนลางออหายไปหมดเป็นคนปุ่งฟุ้งซ่านแล้วจะกำหนดวิถีชีวิตของเราไม่ได้เพราะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เพราะนั้นเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญการฝึกสตินะั่จะสติจะเกิดขึ้นมาได้สมาธิจะเกิดขึ้นมาได้นะั้นจะเกิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเอ่จะต้องฝึกเรื่องสมาธิ เ, เมื่อสมาธิดีแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรในหลักของพุทธศาสนาปัญญามันมีมากมายกว้างขวางปัญญาทางโลกนี่ อย่างปริญญากี่แขนงตกกี่แขนงนะอันนี้ก็จัดว่าเป็นปัญญาทั้งหมดแต่ว่าปัญญาทางอันนั้นจะว่าปัญญาทางโลกเป็นเรื่องสะสมสั่งสมกิเลสราคะโทสะโมหะการมักใหญ่ไฟฉูงแต่ปัญญาอริยมรรคของพระพุทธเจ้าปัญญาสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นที่ไหนใจของเรามันหลงอะไรมันลืมอะไรมันให้ความสาคัญอะไร ในโลกเนี่ยมันหลงร่างกายของเรานี่แหละเป็นอันดับแรกว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นของเสร็จสวยงดงามเป็นของีิรังถาวรแต่เราไม่ได้คิดย้อนหลังนะเพราะเรามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็คิดในจิตในใจอย่างนั้นแต่ทีนี้พระพุทธองค์ให้คิดดูสิคิดดูให้ดีสิทบทวนดูให้ดีสิในร่างกายของเรามีอะไรบ้าง เจสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเอาเข้าไปข้างในอีกมังสังเนื้อฮัลลูเอน็นอธิคือกระดูกอธิมินชังเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแทนี้นเมื่อวอยเออใช่ร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆมีตับมีลำไส้จริงๆแต่ ชีวิตหรือว่าร่างกายของเราจะอยู่นานไปจากเท่าไหรเรารับประกันได้ไหมรับประกันไม่ได้ไม่รู้จะแตกวันไหนไม่รู้จะตายวันไหนไม่มีใครรับประกันชีวิตของตนเองได้เที่ว่าประกันชีวิตประกันชีวิตคือมันประกันตัวม่ให้ตายนเป็นประกันไม่ได้เพียงเท่ว่าตายแล้วจะได้เงินได้ทองเท่าไหร่เท่านั้นเองแต่ประกันชีวิตไม่ให้ตายน่รับประกันไม่ได้ชีวิตของเราประกันไปได้ชีวิตที่จะไม่ให้ตาย พร้อมที่จะตายได้ทุกเวทีโอกาสในทุกเวล่าเวลาเพราะนั้นพระพุทธองค์ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายเราเนี่ยนะเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องแตกตายสลายนะเออมันไม่กิรังถาวรนะร่างกายนีย่ขนาดร่างกายของเรายังไม่เชื่อมัน่นหรือไม่ยอมรับหรือว่าห้ามไม่ได้ใช้ไม่ฟังบังคับไม่อยู่แล้วของคนอื่นล่ะ ของคนอื่นเราจะบังคับเขาได้หรือไม่ได้แต่ขนาดตัวเองก็ยังรับบังคับของตนเองไม่ได้ของเขาเองเขาก็บังคับเขาไม่ได้อีกเหมือนกันผลในสุดวงสาคนาญาตพ่อแม่ปู่ย่าตายายทรัพย์สมบัติทั้งหลายจะเป็นของเราได้ยังไงในเมื่อร่างกายขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรานี่แหละอันนี้คือพระพุทธองค์ให้พิจารณา จากนั้นก็จะทำใจจะไงเท่เนี่ยเอาใจได้พิจารณาเท่เนี่ยว่าร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานี่แหละคาว่าเราเราเนะ่คือใครก็คือใจคือตัวนามธรรมนั่นแหละอยู่ในตัวของเราเนี่ยนามธรรมนั่นคือใจนั่นมื่อร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะใจนะอย่าหลงมันนะให้รู้แจ้งมันนะต้องรู้เท่ารู้ทันมันนะใจนะให้เข้าว่าใจสอนใจใจบอกใจไม่ให้หลงร่างกาย จากนั้นเมื่อใจรู้เห็นตามความเป็นจริงใจก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นใจก็ปล่อยวางอ่าเห็นตามความเป็นจริงนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดในจุดนี้ เ, เมื่อเห็นตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วใจปล่อยวางแล้วนั่นแหละธรรมะที่นอกเหนือจากใจหรือว่าสิ่งเหล่านั้นมันขึ้นมาสู่จิตใจครับผมเหมือนกับ เราตะกอนเราโงา่เราไม่เรียนหนังสือเราโงา่ในสิ่งต่างๆแต่บัด น, นี้เราได้เรียนซึกหนังสือเราได้วิเคราะห์เป็นที่ยอมรับความรู้นั้นเกิดขึ้นมานะความโง่้ก็หายไปอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราปล่อยวางนะความรู้ความฉลาดมันเกิดขึ้นมา เออเราก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นถึงจะยึดม <|es|> ันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทําไมไปยึดมั่นทําไหมนี่แหละทีนี้ก็ปล่อยวางปล่อยวางที่ไหนปล่อยวางที่ใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจของเราปล่อยวางที่ใจของเรานี่แหละท่านว่าธรรมะของพุทธเจ้าไม่ให้ยึดมั่นนะไม่ให้ถือมั่นนะให้ปล่อยวางในว่านิพพานังปรามังสุขขังจะเกิดขึ้นมาจุดนั้นะจุดที่เราปล่อยวางนั้นแหะแห่นิพพานังปรามังศูนย์ยังนิพพานศูนย์ ศูเชื้อกิเลสราคะโทสะโมหะเพรอเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะมาทำร้ายทำ ร, าารายย้ายได้ไร่ยังไงเพราะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะศรัทธาญาติโยมทุกคนวันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับวันอาสาระบูชาเป็นมาอย่างไรพวกเราไม่ได้สงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพียนต์ว่าพวกเราจะปรับเข็มทิศยัยงไง จึงจะเข้ากับธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะได้สําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาสําเร็จมรรคสาเร็จผลตามที่พระพุทธองค์ได้แนะนําสั่งสอนเวทไนา ย, ยศาสตร์ทั้งหลายพวกเราคนหนึ่งเห็นที่จะเดินตามพระธรรมคําสั่งสอนนั้นจะปรับยังไงจึงจะไปตามแนวแถวนั้นแต่เราไม่ได้สงสัยพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของ พ, พ, พระรร พ, พุทธเจ้านั้นเป็นธรรมเป็นนิยามในกระทำถูกต้องทุกประการ แต่พวกเรายังขาดตกบกพร่องเท่านั้นเองเพราะกิเลสราคะโทสะโมหะดึงดึงถ่วงเราไว้อยู่ไม่ให้พวกเราเดินไปเท่านั้นเองเพราะนั้นให้พวกเราพยายามเดินพยายามปลดพยายามปล่อยพยายามหลีกลี้หนีออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะเข้าสู่ทำพระธทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะประสบความ สุขความเย็นใจใการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนไตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สาเร็จสมความมุ่งมา่นรปราถนาทุกประการเถอ เอาต่อนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี้นะนั่งคัตสมาธิจากช่วระยะหนึ่งจากนั้นถลงพ่อก็จะได้บอกประกาศนั่งสมาธิเหมือนนั่งเหมือนพระประธานนะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายก่อนที่เมื่อนั่งขาขวาทับขาซ้ายแล้วให้ประนมมือซะก่อนนะปนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อน ไหว้ครูสก่อนพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นค่อยเอามือลงพอเอามือลงเสร็จแล้วถึงบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้ดูลมหายใจเข้าออกตัวเองเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ทำในวันเดือนหกเพ็ญนนะ่ะท่านกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะดูลมให้มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุโทถ้าว่ามันยังไม่อยู่ให้นับก็ได้นะให้หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่หายใจเข้าห้าหายใจออกหกอ่าหายใจมันเป็นเลขขี่นะหนึ่งะหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขขี่สามหายใจออกเป็นเลขคู่สี่นะถ้านับไปมันเบอร์เบอรแสดงว่ามัน มันข้ามขั้นกันเหมือนนแแสดงว่าสติเราขาดแล้วจุดนั้นเอากลับมานับใหม่อีกนับสักห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งนะจะค่อยบริกรรมพุโทโธพุธโทโธทีนี้เมื่อได้เวลาแล้วหลวงพ่อจะบอกการเวลาเหมาะสมนะหลวงพ่อจะบอกออกจากสมาธินะต่อไปเนี่ยนั่งสมาธินะทีน่ะ